พระเจ้านะครับที่เราได้นมาสการพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในบ่ายวันนี้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดอกกุหลาบเริ่มแพงนะครั บ, นะรบเพราะว่าใกล้วันวาเลนไทน์นะฮะอะไรที่เกี่ยวกับความรักนะฮะดอกกุหลาบสีแดงสีชมพูก็ราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็ ผู้คนทั้งหลายก็เตรียมจับใจให้มอบของขวัญ น, นะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นที่ช่วงเวลาที่ใกล้กับวันตรุษจีนด้วยนะครับนั้นก็คนที่จะมีฐานะดีขึ้นกับพวกพ่อค้าใช่ไหมครับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเพราะว่าเจนะของพระเจ้าที่เราแอนด้วยกันเมื่อสักครู่หนึ่งข้อนี้นะครับ อยากจะถามพี่น้องนะครับและผมเองนะครับว่าเราได้ให้สิ่งของหรือว่าให้สิ่งที่จำเป็นกับคนอื่นนะครับที่เราเรียกว่าเป็นการเสียสละครั้งสุดท้ายเมื่อไรครับอ า, อาจจะมีคำตอบในใจแล้วนะครับแล้ว ช่วงเวลาที่เราได้รับสิ่งที่เร า, อาพอใจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับอันนี้คงจะไม่ต้องตอบนะครับมีเยอะแยะเลยนะฮะอย่างน้อยเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาได้รับเงินเดือนพร้อมกับโบนัสพร้อมกับโอนะครับ พระวจนาของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับในหนึ่งโคลสีบทที่โคลสีบทที่3ข้อที่14บนะครับบอกว่าจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะว่าความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์เมื่อเราพูดถึงความรักพระคัมภีร์บอกว่าสวมนั่นคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งนี้จะสวมก็ได้จะถอดก็ได้ใส นั่นความรักนั้นเป็นเรื่องที่สามารถที่จะควบคุมได้เราสามารถที่จะใส่ความรักเข้าในชีวิตของเราได้และเราก็สามารถที่จะถอดมันออกได้ขึ้นอยู่ที่กับว่าเราตัดสินใจเมื่อไหร่ว่าเราจะถอดหรือจะสวมใส่แต่พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจเราให้สวมใส่ความรัก เต็มชีวิตของเราและทุกๆเวลาและตลอดไปนิยามของความรักในพระคัมภีร์คงไม่ต้องบอกกันอีกใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนจำได้แต่ถ้าให้บอกว่าความรักคืออะไรมันกว้างมากคำคำจากัดความนะครับริกบอรเรนได้บอกว่าความรักมันเป็นการที่เรา ให้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นใช่ครับเมื่อเรารักแล้วก็ย่อมให้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นถ้าเราใส่ใจสนใจกับสิ่งสิ่งนั้นเราก็จะให้เวลากับมันมากคนที่สนใจด้านกีฬาก็ให้เวลากับกีฬาคนที่ให้สนใจธุรกิจก็ให้เวลากับธุรกิจ แล้วพระเจ้าล่ะครับเราให้เวลากับพระองค์เท่าไหร่และยิ่งกว่านั้นเราได้ให้เวลากับคนที่อยู่รอบข้างเรามากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสามีภรรยาลูกหรือคนที่อยู่รอบข้างเราบางครั้งแมกกาเขนที่เรามองดูนะครับมีคนบอกว่าแมกกาเขนเป็นสั ญ, ญลักษณ์ความสัมพันธ์ของเรา กับพระเจ้าและความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนมนุษย์กลับมามองดูไม้กระเขนที่โบทวัฒนารู้สึกว่าเราถ้าใช้สั ญ, ญลักษณ์แบบนั้นเราต้องมีความสัมพันธ์กับคำว่ามีความหมายว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกซึ้งยาวนานแต่กับเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์สั้นนิดเดียวหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของสถาปัตย์ไม่เกี่ยวกับ สั ญ, ญลักษณ์อันนั้นนะครับถ้าไม่กางเขนด้านขวางยาวไปมันก็จะไม่เข้ากับรูปทรงของพระวิหารอันนี้เป็นเกี่ยวกับสถาปัตดไม่เกี่ยวกับความสั้นความยาวแต่ว่าความหมายของมันนั่นคือว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพนุษมนุษย์อย่างไรนั่นมันทําให้เราตอบสนองถึงสะท้อนถึงความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ นั่นคือกางเขนที่พระเยซูคริสต์เจ้าที่เราทั้งหลายมีและเป็นกางเขียนที่พระเยซูคริสต์เจ้ายอมสละพระองค์เองเพื่อเราทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงรักเราทั้งหลาย<ม>นั้นเองเราจะรักเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรประการที่หนึ่งนะครับความรักเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดที่มีความรักที่ใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิสหายของตนพระบัญญัติของพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้สันส้นๆถ้าบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเหมือนที่เราได้รักท่านพระบัญญัติสีประการได้พูดถึงความรักของเราต่อพระเจ้าสี่ข้อแรกและ 6ข้อหลังเป็นความรักความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งเริ่มต้นจากคนใกล้ชิดจงให้เกียรติแก่บิดามารดาแล้วไปจนถึงคนอื่นและบางครั้งในปัจจุบันนี้มีข้อความอันหนึ่งบอกว่าอาหารของคนอื่นมักจะน่ากินอยู่เสมอนะครับพระบัญญัติบอกไว้แล้วนะครับอย่าโลภโภเรือนของเพื่อนบ้าน ดังนะะั้นสายตาของมนุษย์มักจะโลภมักจะมองเห็นของคนอื่นน่าสนใจน่าหยิบอยู่เสมอแต่พระวัจฉระของพระเจ้าเตือนไว้แล้วว่เาเราต้องรักของเขาอย่าเอาของเขามาและพระบัญญัติพระเยซู ก, ก็สรุปเหลือสองข้อรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและสุดท้ายพระองค์ก็สั่งให้กับสาวกของพระองค์คือรักซึ่ง กันและซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราถ้าเรารักหรือหาสาวกรักซึ่งกันและกันความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงออกนั้นคือการเสียสละคือการปรนนิบัติเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสอย่างชัดเจนว่าบุตรมนุษย์ได้มาไม่ได้มาเพื่อปรับการปรนนิบัติแต่พระองค์มาเพื่อปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นข้าไทยคนเป็นอันมาก นั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระเจ้าให้กับเราพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อจะรักพระองค์ติดตามหาเขาเพื่อจะรักเขาแม้ว่าเขาจะปฏิเสธพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พระเจ้าทรงประทานหนทางประทานวิธีและกพระองค์เรียกหาพระองค์ทรงเรียกอับราฮัมเพื่อจะ เป็นตัวอย่างเพื่อนาเขาทั้งหลายนามนุษย์นั้นกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าให้โมเเสดพระเจ้าให้พระบัญญัิพระเจ้าให้ผู้เผยพระชนะเพื่อแสดงออกว่าพระองค์ทรงรักและรักอย่างมั่นคงที่มีต่อมนุษย์และสุดท้ายที่สุดพระองค์ก็ให้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มานี่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเราจะรักพระเจ้าโดยที่ไม่รักเพื่อนบ้านไม่ได้ยอนได้บอกว่าจดหมายยอนนั้นได้บอกว่าคนที่บอกว่ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องจะรักพระเจ้าซึ่งมองไม่เห็นไม่ได้นั้นแสดงว่าโกหก ดนั้นความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นจะต้องสำแดงออกต่อความเป็นความรักที่มีต่อเพื่อนบ้านรารพระเจ้าพระคริสต์เจ้าได้ให้คําอุปมาเรื่องของบุตรน้อยหลงหายเพื่อแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าความรักของพระบิดาที่มีต่อมนุษย์ที่มีต่อคนที่มักจะล้มเหลวในชีวิตอยู่เสมอมัก จะทำตามใจตัวเองและทำบาปไม่สามารถตั้งตัวเองได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อบุตรน้อยนั้นกลับมาหาบิดาให้อภัยอย่างเต็มด้วยความเต็มใจนั่นคือความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่สองครับเราจะรักขพืนบ้านได้อย่างไร เมื่อเราให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วความรักนั้นต้องเป็นการกระทำรักด้วยการเสียสละคือผู้ที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนนี่ก็เป็นการแสดงออกไม่ใช่พูดว่ารักแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรรอบบ่ายอาจจะรักสมาชิกน้อยกว่ารอบเช้าหรือเปล่าเพรามีแต่ มีขนมกับน้ำหวานในเล็กน้อยไม่ใช่ครับถ้าเราเลี้ยงอาหารเย็นเดี๋ยวพี่น้องก็กลับบ้านไม่ไม่ต้องทานอาหารกับครอบครัวอีกนะฮะนั้นเพื่อเราจะสามาัคคีทํากันก็มีขนมเป็นของว่างเล็กน้อยที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับความรักของเราที่มีต่อกันนั้น เป็นต้องเป็นความรักที่เสียละเสียสละต้องเป็นความรักที่เป็นการกระทำพระเยซูคริสต์เจ้าให้สิ่งที่ดีกับสาวกและพระเจ้าเองนะครับพระองค์ก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมนุษย์เพื่ออาดัมถามว่าพระเจ้ารักสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไหมรักเมื่ออาดัมและเอวาทำผิดพระเจ้าติดตามหา เมื่อสองคนได้ยินเสียงของพระเจ้าเสด็จมาในสวนแล้วเขาก็ซ่อนตัวแล้วพระเจ้าก็เรียกหาอาดัมอาดัมเอว่าเอว่าเงียบอาดัมเจ้าอยู่ไหนข้าพงอยู่นี่พระเจ้าข้าคาพงออย เจ้ากินผลไม้นั้นแล้วหรือผมไม่ได้กินไม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะผู้หญิงที่พระองค์ทรงให้นั้นทรงให้มาข้าพระองค์เลยกินนะครับพระเจ้าตามหาเขาและรู้ว่าเขาทําสิ่งไม่ได้รักษาพระบัญญัติของพระองค์และพระองค์ก็ฆ่าสัตว์ พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่าเป็นแพะเป็นแกะหรือเสือดำแต่สัตว์ตัวแรกนั้นถูกฆ่าแลกเอาชีวิตของมันเพื่อจะปกป้องชีวิตของอาดัมและไม่ให้อายอาดัมได้รับการช่วยกู้อาดัมได้รับการช่วยเหลือนั่นเป็นความรักของพระเจ้าที่ให้กับมนุษย์ ที่พระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงกระทําและมันเป็นเงาเป็นแบบที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อพี่น้องและเพื่อผมเพื่อเราทั้งหลายจะได้เท่าถึงความสมบูรณ์ของพระเจ้าจึงเป็นความรักที่เสียสละวาเลนไทน์ Valentine จะไม่พูดถึงสักหน่อยก็ไม่ดีนะครับไหนๆก็โลกก็ร อ, อคอยวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์แล้วนะครับวาเลนไทน์เป็นนักบวชเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับแต่ยุคเวลาที่เขาอยู่นั้นเป็นยุคที่คริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้ากําลังถูกข่มเหงถูกกีดกันในการประกาศถูกกีดกันในการทําศาสนกิจ ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกกบฏในช่วงของปีคศออประมาณ200กว่านะครับนักบุญวาเลนตินัสอยู่ในช่วงของวาระของการประกาศห้ามประกาศพระเยซูห้ามประกาศว่าเป็นคริสเตียน แต่ว่าสิ่งที่วาเลนติน่าทำนั่นก็คือว่าเขาไม่ได้ประกาศแต่เขาหยิบยื่นสิ่งของเพื่อให้กับคนยากจนแจกจ่ายสิ่งของให้กับคนยากจนเป็นความรักที่มีการกระทําและเขาวันหนึ่งเขาก็ถูกจับข้อหาฟาฝืนนะฮะขณะที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนั่นเองเขาก็พบกับ สตรีคนหนึ่งที่ตาบอดก็คือลูกสาวของนายคุกลูกสาวของพัสดีแล้วเขาก็อธิษฐานเผื่อปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้หายจากตาบอดและเขาก็ได้รับเอาพระเยซูเป็นพระเจ้ารวมทั้งครอบครัวของเขาด้วยนั่นเองเมื่อความนี้ทราบไปถึงกษัตริย์คราวดีอสัส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายโหดเหี้ยมคนหนึ่งนะครับองหนึ่งในยุคของโรมันนั้นกษัตริย์สั่งประหารวาเลนตินัสนะครับแล้วก็ในคืนวันที่13กุมภาพันนะครับวาเลนตินัสเขียนจดหมายถึงผู้หญิงคนนี้ที่เธอเขาได้ช่วยเขาช่วยเชอได้ ใ ห, ให้หายตาบอดนั้นดยความรักของพระเจ้านั้นนะครับเขียนข้อความทั้งหมดแล้วก็ลงท้ายว่าจากวาเลนไทน์ของเธอนั่นนะครับและเช้าวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนตินัสก็ถูกตัดสินถูกตัดศีะะรษะจึงเป็นที่มาของวันวาเลนไทน์วันแห่งวาเลนตินัสวันแห่งเซนวาเลนตินัส ที่เสียสละไม่ใช่เพื่อความไม่ใช่เพื่อความรักแบบปัจจุบันขอโทษคนปัจจุบันวัยรุ่นปัจจุบันเตรียมตัวนะครับเพื่ออะไรครับวันที่14เนี่ยเพื่อจะเสียตัวให้กับคนรักของตนเองซึ่งเป็นค่าที่ยอมที่ผิดเป็นค่านิยมของซาตานบริษัทขายถุงยางอนามัยเตรียมแจกตามสีแยกข้างหลายในกรุงเทพนะครับเดี๋ยววันที่14ไปพห้น้องไปดูนะครับตามสีแยกข้างหลายยืนแจกกันเลย เพราะไม่ใช่คนไทยมีวันเสียตัวสองวันก็คือวันลอยกระทงกับวันวาเลนไทน์ฝรั่งก็เอาวันไทยก็เอานั่นคือความบาปที่เข้ามาในชีวิตของมนุษย์วันสิ่งที่ดีก็ผิดเพี้ยนไปการเสียสละการเป็นการตอบสนองต่อตันหาไม่ใช่ตอบสนองต่ อ, อพระประสงค์ของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงเมตตาและขอพระเจ้าทรงปกป้องลูกเยาวชนของเราลูกหลานของเราปกป้องประชากรของพระเจ้าที่จะไม่หลงไปตามกระแสนิยมของสังคมในปัจจุบันแต่ว่าให้เรานั้นใช้ความรักที่พระเจ้าประทานให้นั้นบอกความจริงของพระเจ้าคือการเสียสละของพระเยซูริจเจ้านั้นให้กับผู้คนและประการสุดท้าย เรารักเพื่อนบ้านรักด้วยการกระทําถ้าท่านทัน้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราพระเยซูไม่ได้ถือตัวว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ถือว่าสาวกของพระองค์นั้นเป็นมิตรสหายไม่ใช่ผู้ติดตามธรรมดาไม่ใช่ ฆ่าทา่าแต่เป็นมิสหายซึ่งเป็นคาที่พระองค์เป็นคาคานี้ในพระคัมภีร์ใช้นั้นเป็นเหมือนกับเป็นคำที่ใช้กับคนต้นเรือนคนที่เป็นพ่อบ้านที่สนิทสนมกับเจ้านายมิสหายคนนี้รู้ว่าเจ้านายจะทำอะไรรู้ว่าเจ้านายต้องการอะไรจะทำอะไรไปที่ไหนเมื่ อ, อไรมิสหายคำนี้ใช้กับคนคนนี้ และพระเยซูคริสต์เจ้าใช้กับสาวกของพระองค์และใช้กับเราทั้งหลายพระองค์ทรงรู้ว่าปรารถนาที่จะให้เรารู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ว่าพระองค์ทรง ต, งต้องการอะไรที่จริงจากชีวิตของเราและความรักมันเป็นอาวุธเดียวที่เปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรอาวุธนิวเคลีย ระเบิดนิวเคลียร์ระเบิด at, แก๊สไดออกซิเจนปืนไรเฟิลไม่ได้ทำให้ศัตรูกลายมาเป็นมิตรแต่ความรักแบบพระเยซูคริเจ้านั้นทำให้ศัตรูนั้นกลายมาเป็นมิตรเปลี่ยนมาเป็นมิตรเราสามารถรักคนที่ทำร้ายเราให้อภัยเรา หลายครั้งเรามองอเห็นถึงบางคนที่ทําร้ายเราทําผิดต่อเราก็ไม่ได้กลับใจแถมไม่พียงยังทำกระรื่นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็ยังต้องรักเขายังต้องอธิษฐานเพื่อเขาน้นาในความรักของพระเจ้าที่เป็นการกระทําหลายๆครั้งเราก็พบว่าความรักของมนุษย์นั้น ไม่ได้เป็นความรักที่จริงใจหลายๆครั้งแม้กระทั่งคริสเตียนเองเราก็ไม่ได้รักด้วยจริงใจต่อหน้าเราก็บอกว่าดูดีทำดีต่อกันแต่รับหลังอาจจะเป็นการให้ร้ายใส่ร้ายมีคนบอกว่าการใส่ร้ายกันนั้นมี3มสิ่งก็คือว่าถ้าเขา ไม่ได้เป็นฝ่ายเราก็นินทาก็ใส่ร้ายถ้าเราใส่ร้ายคนอื่นเพราะว่าเราหวงชื่อเสียงของตนเองหวงชื่อเสียงของตวเองเหมือนกับเป็นความอิจฉากลัวคนอื่นว่าจะมีเครดิตดีกว่าก็เลยใส่ร้ายให้ร้ายและอีกอันหนึ่งก็คือว่าใส่ร้ายเพื่อทำลายคู่แข่งทำลายศัตรูกล่าวโทษ แต่พระเยซูบอกว่าอยา ก, กล่าวโทษเขาเพื่อว่าพระเจ้าจะไม่กล่าวโทษท่านเราให้ตวงให้เขาด้วยทนานอันไหนพระเจ้าก็ตวงให้เราด้วยทนานอันนั้นขอพระเจ้าช่วยเราในความรักที่เรามีต่อคนอื่นต่อเพื่อนมนุษย์นั้นจะเป็นความรักที่เสริมสร้างเป็นความรักที่เห็นอกเห็นใจเพราะความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นความรักที่ลึก <S <S เกินที่จะยังรู้ได้ เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดเป็นความรักที่ไม่ได้หวังอะไรจากผู้ที่เรารักนั้นไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่หวังที่จะให้เกิดการเสริมสร้างหวังที่จะเกิดให้เกิดประโยชน์แก่อีกฝ่ายหนึ่งนั่นคือความรักของพระเจ้ามีสตรีคนหนึ่งเขาสูญเสีย สามีขณะที่างานศพผ่านไปแล้วนั้นเธอก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเธอต้องสูญเสียสามีในเวลาที่ที่ยังไม่ได้เป็นวัยชราเป็นวัยกลางคนซึ่งกําลังสร้างตั้งหลักตั้งฐานได้เพียงไม่นานเธอไปคริสตจักรก็ไม่ได้รับคําตอบเธอร่วมกัน ร, รับใช้ ก็เฉยๆแต่มีวันหนึ่งมีงานศพของผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชื่อใหม่แล้วภรรยาของชายคนนี้ก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนักสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำก็คือว่าเธอเข้าไปเป็นเพื่อนและก็ปลอบด้วยคำพูดที่ว่า ฉันก็เคยสูญเสียสามีเช่นเดียวกับเธอนั่นนะครับคือคำตอบคือว่าเธอได้แม้ว่าเธอจะสูญเสียสามีและการสูญเสียนั้นเป็นความทุกข์ใจแต่มันก็ทำให้เกิดการดุงใจสตรีที่เชื่อใหม่นั้นผู้หญิงคนนั้นจากที่เคยจากที่โศกเศร้าเริ่มใบหน้าเริ่มเปลี่ยน มีความสดชื่นขึ้นเพราะเธอรู้ว่าไม่ได้มีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่เผชิญกับเหตุการณ์นี้แต่มีคนที่เผชิญเหตุกับเหตุการณ์นั้นด้วยพี่น้องที่รักครับพันธกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระคริสเจ้าทำนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้เป็นแบบอย่างแกเราทั้งหลายเพื่อเราจะรักซึ่งกันและกันเพื่อเราจะรับภาระของและกันเพื่อเราจะอดทนต่อกันและกันเพื่อเราจะ หนุนใจซึ่งกันและกันให้เติบโตขึ้นอดทนอดกลั้นให้อภัยเสริมสร้างหนุนใจกันและพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่ 10, ส5บห้าข้อสิบกิจจได้ตัสว่าถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นในความรักของเราและเหมือนดังที่เรารได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรัก ของพระองค์ mm hmm. เราลองวัดอุณหภูมิหัวใจของเราว่าเวลานี้เราห่วงใยเรารักความรักของเราที่มีต่อคนอื่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างความรักของเราทีเา่เรารักต่อพระเจ้านั้นเป็นความเป็นอย่างไรบ้างมีความปรารถนาที่จะอธิษฐานที่จะอ่านพระคัมภีร์กับพระองค์พูดคุยกับพระองค์ มี่ปัถหาที่จะให้กับให้ความรักให้การสนับสนุนให้การหนุนใจแก่ใครบ้างวันที่14ที่จะถึงนี้นะครับจริงๆแล้วมีคัทแฮนด์บิลนี้นะครับยังพอมีสำหรับพี่น้องนะครับที่หน้าโบสนะครับเดี๋ยว เ, เชิญที่จะรับได้นะครับ5้าโมงเย็นเรารับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็ หนึ่งทุ่มเข้ามานมัสการพระเจ้าในพระวิหารวันวาเลนไทน์แต่ปีนี้วาเลนไทน์ Valentine ตรงกับวันที่เรากาลังจะเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือที่เรียกเราเรียกว่าเลน t นะครับนั่นเราจึงตั้งตีมนี้ว่าวันวาเลนไทน์เล n t มาก็เป็นวันที่เราจะใกล้เข้าสู่ช่วงเวลา40วันก่อนวันอีสเตอร์นะครับ ที่เราจะอธิษฐานใคร่ครวนที่ถึงความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าและวันพุธนี้ทางคริสจัดเราจะมีคู่มือให้กับท่านนะครับสําหรับเฝ้าเดียวสําหรับอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้านะครับเป็นวันทีเ่เราเรียกว่าวันพุธปรับเท่าพุธนั้นเป็นสนัญลักษณ์ของการทนทุกข์นะครับเพื่อจะว่าเราจะใคร่ครวนชีวิตของเรากับพระเจ้าชีวิตของเรากับพี่น้อง นะครับแล้วก็ในช่วงของการนับัการนั้นก็จะมีละครที่น่าสนใจนะครับนั้นวาเลนไทน์ปีนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเชิญพี่น้องที่จะหยิบไปแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าพี่น้องหยิบไปเพื่อให้กับคนที่พี่น้องรักคนที่พี่น้องห่วงใยนะครับเชิญเข้ามาโบส์ร่วมกันครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะเล่าถึง อีกชายอีกคนหนึ่งที่มีความรักจริงๆแล้วสคริปต์ของวันนี้ไม่ได้จบที่นี่นะครับเมื่อการนมัสการรอบเช้าได้มีการร้องเพลงความรักเป็นสายสัมพันธ์ก็ทำให้ผมคิดถึงศา ส, สนาจารย์เซียพิบาลผู้แต่งเพลงนี้ครับเขาชื่อจอห์นฟอเซสนะครับมีอายุในช่วงของปี1740ถึงปี1817งพทำไม เป็นเวลา 2-300 ปีแล้วบทประพันธ์ของเขายังคงอยู่และหลายๆคนร้องเขาได้บอกว่าความรักเป็นสายสัมพันธ์ยึดมั่นใจเราทั้งหลายให้สามัคคีไม่มีวันคลายดังสายสัมพันธ์เมืองแมนคือสายสัมพันธ์แห่งสวรรค์ตรงภาพระเจ้าต่อหน้าพระเจ้านะครับเรามาวันทาอธิษฐานความกลัวความหวังความทุกข์สําราญเรารับ ร่วมกันทุกคนยามทุกร่วมทุกทุกวันแบ่งปาแบ่งภาระกันแบกไปน้ำใจนำพาน้ำตาเราไหลร้องไห้เพราะรักไม่ลืมจอรนอจ อ, นอร์ฟอเรสเป็นศิธิบานที่คลิจักเล็กๆนะครับเมื่อสองสามร้อยปีนี้ความเจริญไม่ได้มีเหมือนสมัยนี้นะครับ พิจากเล็กๆมีสมาชิกไม่เท่าไรโบสก็ไม่ต้องมีรัว้วบ้านก็ไม่ต้องมีรัว้วความสนิทสนมของกันของสมาชิกกับผู้รับใช้ของศิริบานั้นสบายมากสมาชิกทำอาหารส่งให้ศิริบานกินเงินเดือนไม่ต้องมีมากอาศัยจากการเยี่ยมเยียนสมาชิกนั้นก็รับประทานกับอาหารกับสมาชิก ก็เป็นการาดูแลทั้งกันไปกันมาเสียอหิบาลก็ไปอธิษฐานเพื่อสมาชิกสมาชิกก็เลี้ยงข้าวเสียอภิบาลจบนะครับความสัมพันธ์นั้นการเลี้ยงดูทั้งได้ทั้งจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกายมีวันหนึ่งคริสจับในเมืองใหญ่ซึ่งมีสมาชิกเป็นร้อยเป็นพันและมีโบสถ์ที่ใหญ่ ได้เชิญอาจารย์จอร์นไปเทศนาและสิ่งที่ท่านเทศก็เทศเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าก็เป็นที่โดนโอกโดนใจเป็นที่ชอบใจของผู้นำคลิจักแล้วเมื่อจอร์นกลับไปยังชนบทแล้วไม่นานก็มีจดหมายตามมาเรียนท่านศาสนาอาจารย์จอร์นฟอร์เซตเราได้ยินคำเทศนาและคำสอนของท่านแล้ว เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเชิญท่านมาเป็นสิรียาริบาลของเราเราจะให้ค่าตอบแทนแก่ท่านเมื่อพิจารณาแล้วมันสูงมากกับค่าตอบแทนของทิจักชนบทอยู่ในเมืองมีความโอ้อามีความสิวิไลยอยู่ชนบทมีแต่หิงห้อยและเกวียน จอรนก็เริ่มไม่สบายใจกังวลไปที่โน่นก็เจริญก้าวหน้าอยู่ที่นี่ก็มีความผูกพันดีสุดท้ายอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกใจที่อยากไปอยู่ในเมืองก็แวงเราให้ตัดสินใจว่าโอเคไปและเขาก็ เขียนจดหมายลาออกจากคลิจักเล็กๆในชนบทนั้นในวันที่จะต้องขนย้ายสิ่งของเพื่อจะไปอยู่ในคลิจักในเมืองนั่นเองจอนและครอบครัวก็พร้อมทั้งสมาชิกที่มาช่วยงานนั้นขนของขึ้นเกวียนครบหมดแล้วแล้วก็ลําลาสมาชิก บกไม้บกมือก็สั่งให้เกวียนเริ่มออกเดินทางสมาชิกก็ต่างร้องไห้คนที่คนแก่ก็อาจารย์อาจารย์คิดดูสิอาจารย์เคยไปเยี่ยมบ้านยายเราเคยทานข้าวด้วยกันเคยหัวเราะด้วยกันอธิษฐานด้วยกันแล้วใครจะมาทำให้พวกเราได้หัวเราะเหมือนอาจารย์ล่ะคนที่เริ่มมีครอบครัว ว่าอาจารย์อาจารย์เคยทำพิธีแต่งงานให้พวกเรานะดูสิลูกของเราก็กําลังน่ารักภรรยาของอาจารย์จอนก็เริ่มสะ ก, กิดสามีจอนดูสิสมาชิกเหล่านี้กําลังขาดผู้เลี้ยงคุณจะทำอย่างไรจอนไม่ตอบเงียบ แล้วก็เสียงร้องไห้ของสมาชิกทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาวเด็กๆ ก, ก็เป็นเสียงที่ทำให้เขานั้นต้องก้มหน้าลงแล้วก็บอกจ้านแล้วใครจะมาเยี่ยมพวกเราแล้วใครจะสอนพวกเราแล้วใครจะนำเราร้องเพลงในที่สุดจอรนก็ทนไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเอาละหยุด เกวียนเดี๋ยวนี้ขนของลงจากเกวียนกลับเข้าไปในบ้านเราจะไม่ไปแล้วเราจะอยู่กับพี่น้องที่นี่และในคืนวันเสาร์นั้นเองจอนก็เขียนบทประพันธ์ความรักเป็นสายสัมพันธ์นี้และเช้า ว, วันอาทิตย์เขาก็สอนเพลงนี้ให้กับสมาชิกร้องตั้งแต่เวลาโน้ น, น, น, น, นเป็นเพลงนมาสการพระเจ้า เป็นเพลงเมื่อกี้นักดนตรีเขาเรียกว่า love h i m นะครับไม่รู้ h i m ไหน h i m หรือว่า h y m n นะครับแล้วผมก็เป็นเพลงที่สไตล์ผมชอบก็คือร้องเพลง h i m กับวงแบ น, นะครับผมอ่านต่อนะครับในข้อที่4บอกว่า mm hmm. เมื่อยามจำพรากไกลกันโศกเศร้ารำพันอาดูนหวังใจพบกันรักมั่นเพิ่มพูนเทิดทูนวิญญาณสัมพันธ์ เราเสรีไร้ทุกข์ทนความชั่วล้นพ้นมาลายความรักและมิตรภาพกำจายแจ้งภายในใจนิรันดร์ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าโปรงทรงรักครับพองทั้งหลายโปรงทรงห่วงใยครับพองทั้งหลายขอโปรดช่วยครับทั้งหลายในการที่จะรักซึ่งกันและกันให้เวลาแก่กันและกัน จะว่าในเป็นในที่คริสตจักรในกลุ่มแคร์ในบ้านขอพระองค์ทรงช่วยครับลงทั้งหลายขอความรักขององค์พระเยซูกิตนั้นได้ซึมซาบและซึ้งอยู่ในชีวิตของข้างหลายข้าแต่พระเจ้าขอให้พระวจนะของพระองค์นั้นสําเร็จในชีวิตของข้างหลายทุกคน30เท่า60เท่า100เท่าเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูกิตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอภัยพรครับ